Thank <laughs> you. เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายวันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความหมายสำหรับชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยนะชาวพุทธทั้งโลก เ, ลเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะซึ่งทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกนี้ เป็นวันที่ทําให้เราเระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เหตุการณ์สําคัญของพระองค์นะก็คือประสูน ต, ตัสรู้และปรินิพนานบางคนก็เรียกว่าวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุทธส่วนมาฆบูชาก็เป็นวันพระธรรมวันอาสารบูชาก็วันพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการ เรียกเพื่อให้เข้าใจได้แต่ที่จริงแล้ว<ม>ก็แยกไม่ออกนะระหว่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระวันมาค้าบูชานะ<ม>ก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์คือพระอาหารหันต์หนึ่งพันสองร้สิบลูกมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยส่วนวันอาสารบูชาก็เป็นวันที่บู้าแสดงพระธรรมเทศนา แล้วก็นำไปสู่การที่มีพระพิสุพระ พ, พิสุสงฆ์นะเป็นครั้งแรกเรียกว่ามีพระตนนัดไตรครบกมีสารวังวิสาขาบูชาเป็นเครื่องระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรุ ป, ปริลิพานหลายคนก็อาจจะ สร้างคำถามว่ามันช่างเป็นความบังเอิญเนะสีย เ, เกินนะที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะในวันเพ็ญเดือนหกนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปาฏิหาริกก็ได้แต่ถ้าหมอยดีมันก็เป็นปิศนาธรรมนะเป็นปิศนาธรรมให้เราได้พิจารณาถึงนัยยะความหมายการที่ พระพุทธเจ้านะประสูติแล้วก็ตรัสรู้และปรินิพานนะในวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันเนี่ยอาจจะมีความหมายนะนะที่ทำให้เราลึกถึงความเป็นจริงที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์นะก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายการประสูติและการปรินิพานของพระพุทธเจ้านะ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 เราซึ่งได้เกิดมาในโลกนี้แล้วก็ต้องตายในที่สุดให้ความจริงอันนี้บางทีเราก็เรียกว่าคือทุกข์ษัดทุกข์ขัดสวนมนต์ธรรมวชิชาเนี่ยก็จะสวยข้อความนี้แหละว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์นะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์วันวิสาขบูชาความหมายหนึ่ง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 ก็ไม่ต่างจากต้นไม้ที่มันตายไปก็จริงแต่ว่าต้นใหม่ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเม็ดนะที่จะงอกใหม่ขึ้นมาแต่เรื่องนี้ก็คงจะไม่ต้องพูดกันมากนะเอาเป็นว่าความหมายหนึ่งของวิสาขบูชาคือว่าสะท้อนถึงความจริงหรือสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบก็คือทุก อันนี้ฟังดูว่าเป็นข่าวร้ายนะเป็นข่าวร้ายแต่ข่าวดีก็คือว่าเราสามารถจะออกจากทุกข์ได้ออกจากวังวนแห่งความทุกข์ได้และนี่แหละคือความหมายอีกด้านหนึ่งของวิสาขบูชาการที่พระเจ้านะได้ตรัสรู้ขึ้นมาการตรัสรู้เนี่ยเกิดผลอะไรขึ้นมาก็คือ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 นั่นก็คืออัตันหาอุปาทานหรือว่ากิเลสอวิชชานี่จะเกิดว่าเราสามารถที่จะอุปาทานหรือว่าละกิเลสได้เหตุแท่งทุกข์มันก็จบเหมือนกับต้นไม้ที่มันถูกตัดรากออกมันก็ไม่งอกอีกต่อไปก็เป็นนันจบคนทุกข์เป็นอิสระนะ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 กับพวกเราและตามติดพวกเราไปจนกว่าจะตายเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างแล้ว่าผู้เจ้าจะทรงเป็นมหาบุรุษนะแต่ว่าก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราก่อนที่จะตัดสรู้นะสิ่งที่ผู้เจ้าทําได้มนุษย์ปุตุชนก็ทําได้เหมือนกัน ถ้าพัฒนาตนอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรื่องของความพ้นทุกข์แล้วเราทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าพระพุทธองค์ก็เคยเป็นปุตุชนเหมือนอย่างเราอันนี้เป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีว่าหนทางพ้นทุกข์นั้นเนี่ยมันมีอยู่และพูะพุทธเจ้าก็เป็นผู้ คนพบและลวงหน้าไปก่อนพระองค์เคยตรัสวาพระองค์เนี่ยเปรียเสมือนกับพี่เป็นพี่เป็นพี่ชายคนโตหรือเป็นพี่คนโตเป็นพี่คนโตแล้วเขาว่ า, าพ้นทุกข์ก่อนไม่ใช่คนพ้นทุกข์คนเดียวเราจะ น, นก็มีคนอื่นตามมาเช่นพระอัญญโก ον, ธัญญะนะ บรรจวกขีทั้งหลายนี้ก็กตามตามผู้เจ้าไปสู่ความพ้นทุกข์สู่ความอิสระการตัดสรูรผู้เจ้าเนี่ยถือว่าเป็นการประกาศอิสระภาพของมนุษย์นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยมนุษย์เรายัางต้องพึ่งพาเทวดานะเธอพึ่งพาพระเจ้าคนสมัยก่อนเนี่ยจะทําอะไร ก, ก็ต้องบนบานสารกล่าว แต่ทำสุขสงครามก็ต้องมีการบูชา ย, ยัญต้องมีการอ้อนวอนเทวดาสมัยก่อนคนก็เชื่อว่าตัวเองเถูกลิขิตไปแล้วโดยพระพรหมจริงเรื่อง พ, พรมลิขิตเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าอยากจะชิดเจริญก้าวหน้าก็ต้องอ้อนวอนพระพรหมนะขอให้ลิขิตใหม่มนุษย์เราเนี่ยตกเป็นท่าของเทวดานะ หรือว่ า, า พ, พระพรหมพระเจ้าที่มนุษย์เรานอาจจะสร้างขึ้นมาด้วยแต่การที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็ทําให้พระองค์เนี่ยเป็นเลิศเหนือเทวดามารพรหมเรียกว่าเป็นสัตธาเทวมนุษสารนั่งเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากคนที่ต้องคอยรับฟังบัญชาหรือว่าเดินตามลิขิตที่พระพรหมได้ เดินเดินตามทางที่พระพรมได้ลิขิตเอาไวนะ้ตอนนี้นะทรงเป็น อ, อิสระแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเทวดามารผมทั้งปวงเพราะว่าได้เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วนะพ้นจากวัฏสงสารแม้แต่เทวดามารผมก็ยังอยู่ภายในวัฏสงสารนะยังไม่ได้พ้นจากทะเลแห่งวัฏสงสารนะพระพรหมก็เช่นเดียวกันนะ ในพระสันตสาวก็เหมือนกันเมื่อได้ปฏิบัติตามพระองค์จนพ้นทุกข์ก็เป็นอิสระนะไม่ต้องพึ่งพาเทวดามารพร้มแล้วที่จริงแม้กระทั่งเป็นอรียบบุคคลชั้นต้นเช่นพระโสดาบันอย่างพระอย่างอนาถปิติกาเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นโสดาบันถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ ไม่ได้งอนง้อนะไม่ได้วิงวอลร้องขอเทวดาแล้วเทวดามาสั่งให้ท่านทำนั่นทำนี่ท่านไม่ทำมาสั่งให้ท่านเนี่ยเลิกคารพุทธเจ้าท่านก็ปฏิเสธแถมไล่เทวดาไปซะอีกน ะ, นะเทวดานี่ถูกอนาถิพิธิกะไล่นะออกจากบ้านเพราะว่าสอนผิดนะเป็นนิชชาทิฏฐิใช่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 มาสวดมนต์มาเวียนเทียนแล้วก็หวังเพียงแค่ว่าขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุวันนสุขภัพละอันนี้ยังถือว่ายังไม่เข้าใจสาระของวันวิสาขบูชายังไม่เข้าใจมรรคธรรมประพฤตเจ้าเนี่ยทรงมาเป็นเพียรเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจความหมายนะของวันวิสาขบูชาเนี่ยเราก็จะมีจิตมุ่งมั่นนะที่จะ บำเพ็ญเพียรเพื่อการพ้นทุกข์เพราะเราเห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยมันเต็มไปได้วยทุกข์แล้วถ้าเราปล่อยชีวิตเป็นอย่างที่เคยเป็นนะปล่อยชีวิตไปตามกระแสทำอย่างที่คนอื่นทาตามกระแสสังคมเนี่ยมันก็จะหนีทุกข์ไม่พ้นแม้แต่ประสบความสาเร็จในชีวิตในอาชีพการงานก็ตามพอถึงสุดท้ายนะก็ต้องแก่ต้องเจ็บ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 แม้วันนี้ชนะแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้นะถึงเวลาแพ้ก็ไม่ทุกนะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองและการที่เราจะรู้เช่นนั้นได้ก็เกิดจากการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติรำรนะจนกระทั่งเราเห็นความจริงนะของชีวิตเมื่อเราได้รู้จากพุทธศาสนาแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาให้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดนะโดยเฉพาะ ใช้วุตศาสนาเนี่ยเมื่อเป็นเครื่องเสริมสร้างศักยภาพในตัวเราให้มันถึงที่สุดใช้ทรัพย์ที่เรามีนะให้เกิดประโยชน์เต็มที่ทรัพย์ที่ว่าเนี่ยคืออริยทรัพย์นะอริยสัย์มีอยู่กับเราทุกคนผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยอริยะโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจาตัวของทุกคนอริยาก็ประเสริฐนะโลกุตตรธรรมคือว่ารม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 เนะมื่อเหนือเราก็ทำเมื่อคืนเหนือทุกนั่นเองและสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวเรานะพระเจ้าตร์เป็นทรัพประจำตัวของทุกคนไม่ใช่มีแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะเราก็มีอยู่ที่ว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีได้ซ้ำนะ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 หรือว่าต้องไปช้อปปิ้งนะต้องมีโทรศัพท์ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆต้องมีรถยนต์ต้องมีบ้านนะไปเที่ยวความสุขมันอยู่ข้างหน้าหรือมันอยู่ข้างนอกนะความสงบก็เหมือนกันนะไปเที่ยวมันต้องอยู่อยู่ในป่าหรือว่าคิดว่าต้องหาได้จากวัดนะหลายคนมาวัดป่าสุกโตเพื่อต้องการความสงบนะอันนี้ก็ยังดีกว่าไปเที่ยวห้างนะหรือไปหาความสุขจาก อ่าความแหล่งบันเทิงเรงรมแต่ว่าถ้าเรามาศึกษาตัวเราอย่างแท้จริงเราจะพบว่าไอความสุขก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละหาได้จากใจเรานี่แหละความสงบ ก, ก็เช่นเดียวกันนะถ้าเราพบว่าถ้าเรารู้ว่าละความสุขอยู่ที่ใจเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นสุขได้ทุกที่นะ เป็นสุขได้ในทุกความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงแล้วก็สุขได้ส้าเราพความสงบนะมันอยู่ที่ใจเราก็จะสงบได้ในทุกขนแห่งนะเมื่อมารู้จักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็อย่าเพียงแต่อาทําความดีหรือว่าทําบุญกุศลอย่างเดียวนะเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าเพียงแต่ะละชั่วอย่างเดียว จริงอยู่นะการละชั่วหรือการไม่ทำชั่วเนี่ยมันสำคัญมากเลยและการทำดีสร้สางสร้างบุญสก็สำคัญเช่นเดียวกันไม่ไงั้นภูจาไม่บอกแล้วว่าให้ละเว้นความชั่วให้ทำความดีแต่พระองค์ก็ยังสอนมากกว่า น, นั้นนะข้อที่สามคือว่าให้ชั่มระติของตนให้ขาวรอบอชั่มระติของตนให้หายให้ให้ให้กิเลสมันเบาบางะ ที่มันไม่ขาวรอบเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันเกาะฉะนั้นถ้ายังปล่อยให้กิเลสเกาะหรือว่าอุปทาอุปทานตัหาอุปทานเนี่ยมันยังครอบงำจิตเนี่ยเนี่ยก็ยังทุกอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยด้วยความเชื่อใจจะทําให้พ้นทุกข์แต่เราเกี่ยวข้งของกับพุทธศาสนาไม่เป็นนับถือพระเจ้าเพียงแค่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราอ้อนวอนขอพรจากพระองค์แล้วเนี่ยเราจะประสบความสุขความเจริญอันนี้มันไม่พอนะมันต้องใช้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยหรือแบบอย่างของพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นมาเป็นหนทางมาเป็นแบบอย่างในการนะขูดในการขัดนะเอากิเลสออกไปจากใจ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 มันมีสูตที่ประเสริฐกันนั่นสูตที่เกิดจากการละ <Yeah. S 1> นะเกิดจากการละละอะไรก็ละกิเลสละตัณหาอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยทํากรวดน้าตอนเย็นเนี่ยนะด้วยบุญนี้ที่เราทำํำนะจงพันได้ซึ่งการตัดตัวตัหาอุปาทานนะสิ่งช่วในดวงใจให้มาไหลสิ้นไปจากสันดานะนะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นงานที่เราต้องทํำนะ ถ้าเรามานักถือพุทธศาสนาเราก็ต้องไม่ลืมที่จะนำคำสอนพระองค์เนี่ยมาเพื่อที่จะตัดตัวตันหาอุปาทานหรือว่าขัดหรือขูดกี่เหล่ออกไปจับใจให้ตรงนี้เนี่ยต้องส่วนหนึ่งก็อาศัยการทำความดีการทำความดีเช่นการให้ทานเนี่ยมันก็ช่วยลดความตันหนีได้ นะถ้าเราให้ทานถูกความตอหนีก็จะลดลงความโลภก็จะลดลงในความยึดติดในของกูของกูมันก็จะเบาบางลงนะในการรักษาศีงก็เหมือนกันนะถ้าเรารักษาศีงดีนะมันก็ช่วยกำจัดขอบเขตของโลภโทสะโมห oh ะนะไม่ให้ขยายดินแดนมากินพื้นที่ในจิตใจของเรา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 อาศัยภาวนาคือการมานะศึกษาดูกายดูใจของเราภาวนาเนี่ยบางทีเราก็เรียกทําทสมาธินแต่พอพูดถึงสมาธิเราก็นึกถึงการทําความสงบให้ความสงบนั้นเนี่ยนะถ้าสงบเพราะว่าตาปิดนะหรือว่าหูไม่ได้ยินเพราะว่านั่งอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในป่า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 เราติดยังไงเนี่ยจิตมันก็ไม่ตกหรอกนะเสียงดังนะมันไม่ทําให้เราโกรธไม่ทําให้เราโมโหนะถ้ามันเป็นเสียงของลูกนะเสียงของคนที่เรารักเนี่ยเออเรากลับเฉยเฉยหรือถ้ามันเป็นเสียงเพลงเนี่ยนะมันจะดังกี่เดซิเบลเราก็ไม่ได้ญหงุดหงิดนเะพราะอะไเพราใจเราชอบไอ้ที่เราญหงุดหงิดเพราใจเราไม่ชอบไม่ชอบเสียงนั้น นใจเราเป็นโลค ก, กับเสียงนั้นเราก็เลยเกิดโทสะเกิด<ะ>ความไม่พอใจขึ้นมาสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นเป็นแค่ปัจจัยเสริมปัจจัยรองไอ้ปัจจัยหลักเนี่ยมันอยู่ที่ใจเรามีความอยากหรือเปล่ามีความคาดหวังไหมนะได้ร้อยล้านเนี่ยแต่หวังพันล้านเนี่ยไอ้ร้อยล้านน ก, ก, ก, ก็กลายเป็นเป็นน้อยไปแล้วก็ทําให้เป็นทุกข์ที่ได้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 ฟังจากเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่มากเลยถึงแม้จะไม่บอกชื่อปกติคนจะโทรมาฮัตไลน์เนี่ยนะก็เพราะว่ามีความทุกข์ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แก่อกหักคนรักตายธุรกิจล้มเหลวเป็นหนี้ล้นพ้นตัวแต่นักธุรกิจคนนี้ไม่มีปัญหาเหื่นี้เลยคุยไปคุยมาเขากว่าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้กำไรห้าพันล้าน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 และสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ประสบนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังความอยากนะทุกทันทนะีคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เวลาทุกข์ใจเนี่ยก็มักจะโทษข้างนอกแต่ไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเวลาเมืองเนี่ยนะถูกโจรผู้ร้ายศัตรูเนี่ยเข้าไปทำลายเผานะเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคนก็มักจะไปโทษโจร แต่ก็ลืมมองไปว่าเอา้ามันเข้ามาได้ยังไงเป็นเพราะว่าทหารยามเราไม่เข้มแข็งนะปล่อยป่าละเลยหรือว่าอ่ากินสิลบนหรือเปล่าถ้ากำแพงเมืองเราเข้มแข็งทหารยามเฝ้าประตูเมืองอย่างแน่นหนาผู้ร้ายโจรสัตรู่ยเข้าไปเผาเมืองได้อย่างไรเวลาฝนตกนะแล้วก็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 ยามเฝ้าประตูเรียกว่าทวาราบาลเจตที่ศึกษาเจตที่รักษาดีแล้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับบ้านนะที่มุงหลังคาไว้อย่างดีแข็งแรงนะไอความทุกข์มันก็ไม่สามารถจะรัวรวร่วรถถั่วรมาได้นะถ้ากำถ้าหลังคาดีเนี่ยคนมักจะไปโทษฝนนะแต่ไม่ได้ดูว่า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 มีคนก็พูดด no ีนะความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองความโกรธก็คือการเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองฮะที่จริงคนเราทารักตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ควรทําร้ายตัวเองเนี่ยแต่แรกแต่น anyway, ี <Stat> ่ย <P ara> <c oughs> ังเอาเอาความผิดของคนอื่นมาทําร้ายตัวเองลองสังเกตได้ว่าเราโกรธเนี่ย เราโกรดใครก็ตามเนี่ยเรากำลังเอาความผิดของเขาเนี่มากรีดมาแทงจิตใ จ, จตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนรักตัวเองหรือเปล่าล ก, ก็ยังเฝ้านะกรีดแทงจิตใ จ, จตัวเองด้วยการเอาความผิดของเขาความไม่ดีของเขามาไอคนเราเนี่ยนะถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องคิดแต่จะดูแลบำรุงจิตใ จ, จตัวเองให้ดี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 ถ้าเรานึกถึงถ้าเรานึกถึงเงินทองเดี๋ยวเงินทองก็จะมาหาถ้าเรานึกถึงความสําเร็จความสํา็จก็จะมาหาเนี่ยถ้าเรานึกถึงความตายเดี๋ยวความตายก็จะเกิดขึ้นกับตัวนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกอย่าไปนึกถึงอย่าไปเจริญมรรตสติมากเจริญมรณตสติมากเดี๋ยวตัวเองจะจะตายเร็วนะนั่นนี้ก็เป็นความเชื่อนะแต่ที่จริงเนี่ยนะ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 เราพบว่า25ปีต่อมาเนี่ยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากเลยมันก็ตามไปถึง25ปีต่อมาเลยนะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เพิ่งประกาศเมื่อปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยว่าคนที่มีความคนที่มีอคตริรู้สูรู้สูรอดตอบคนแก่หรือความแก่เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าคนที่เขามีความรู้สึกบวกต่อความแก่เขาดูจากอะไรเขาดูจากสมองส่วนที่เกี่ยวความจํา ฮิ p ปแคมปัสเนี่ยบกว่าคนที่มีความรู้สึกลบต่อความแก่เนี่ยเนื้อสมองส่วนนี้มันจะเล็กลงแล้วก็มีริ่งเลือดสูงซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความเป็นอัลไซเมอร์อันนี้เป็นเป็นงานวิจัยที่เขาทำแบ่งเป็นศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์มากนะมันก็ชี้เลยนะว่าลบนี่ดึงดูดลบนะถ้าคิดลบมเนี่ยมันก็ทำให้เจ็บป่วยง่าย แล้วก็พบด้วยเหมือนกันว่าคนที่คิดลบต่อความแก่เนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงในเวลาสี่สิบปีต่อมาเขาสาวยาวไปไกลเลยนะเช่นตอนนี้อยาหยุ่ยยี่สิบเนี่ยนะถ้ามีความสิดลบต่อความแก่เนี่ยสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากอันนี้เขาลูบมาหลายปีแล้วแต่เขาพึ่งกนพบว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงเหมือนกันอันนี้แหละที่เราว่าลบเนี่ยดึงดูดลบนะ หรือคนที่คิดมองอะไรเป็นลบเนี่ยนะมันก็เจอแต่เจอแต่เรื่องลบคนที่มองอะไรลบเนี่ยก็เจอแต่เรื่องลบพระภาชชนสรานนท์นะแกเคยเล่านะพระภาชนสรานนท์แกนนแ ก, ก็เป็นเป็นเป็นคนสำคัญของเว r ร์กพอพอ t ตนี่พวกเราคงจะรู้จักก็เคยสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนในเวลาไล้เรียกกันอายุก็ใกล้ ก, ล ก, ลกันพระภาช ก, ก็สามถาม คนแรกนะว่าทำไมถึงออกจาก ง, งานเก่าช่วยเล่าที่ทํางานเก่าให้ฟังหน่อยสิเธอก็บอกที่ทํางานเก่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเจ้านายก็ไม่เป็นธรรมเชื่อฟังแต่รูกน้องที่ประจบประแจงคนทํางานก็ไม่ค่อยทํางานเอาแต่ดินทากันแทนกันข้างหลังเนี่ยขัดแข่งขัดขากัน ต่อหลังก็ไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งไหนช่วยเล่าที่ทํางานเก่าให้ฟังหน่อยสิเธอก็บอกโอ้ที่ทํางานเก่านี่ดีมากเลยนะเจ้านายก็เออเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นพี่เป็นน้องอา่ามีความเหมื่อก็อยู่เป็นครอบครัวคนทํางานก็เป็นพี่เป็นน้องกันเอื้อเฟื้อกันนะช่วยเหลือกันอ่าถ้ามันดีอย่างนั้นทําไมออกมาล่ะเขาก็บอกว่า เพราะว่าที่ทํางานเก่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนจุดเน้นซึ่งเขาไม่ถนัดเขาก็เลยคิดว่าออกมาดีกว่าไปหาไปทํางานที่ถนัดกับความสามารถงตัวดีกว่าไอที่มันน่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากที่ทํางานเดียวกันและประเพอมาจากแผนกเดียวกันด้วยนะแต่ดูมันคนละเรื่องเลยนะมันสะท้อนแหละาะท้อนว่า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 ดยู่ที่ความคิดความรู้สึกซึ่งนําไปสู่การกระทํานําไปสู่การครบคนเราคิดลบก็อาจจะอาจจะได้เจอแต่เพื่อนที่คิดลบเหมือนกันแล้วถ้าเจอแต่เพื่อนคิดลบเนี่ยมันก็ถ้ากระส่งเสริมนําให้จิตใจเราแย่ลงไอ้ผู้เจ้าดิบบอกเนี่ยการครบคนเนี่ยสําคัญมากบทมงคลสูตรที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยการไม่คบคนพาลการ ค, ครบบัณฑิตเนี่ย อันนี้เป็นสองมุงคนสองข้อแรกเลยนถ้าเราครบคนไม่เป็นคบคนชั่วเนะี่ยมันก็จะเกิดแต่สิ่งผลร้ายตามมาแอ่ที่คบคนชั่วตัวพอใจเนี่ยนะมันคิดไปในทางร้ายในทางลบเนะมันก็เลยคบคนอย่างนั้นหรือว่าดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรานะต้องการที่จะมีชีวิตที่พาสุก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 ถ้าทหารนั่คือสตินั่นแหละสร้างสติให้มั่นค ง, งเข็มแข็งจิตใจเราก็จ ะ, ะปลอดภัยจากความทุกข์แล้วก็สตินี่แหละที่นำไปสู่ปัญญาและปัญญาเนี่ยพัฒนาถึงขั้นเนี่ยมันก็ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะเห็นว่าไอเป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นเป็นเพราะมีอวิชชานั่นแหละจึงทำให้เป็นทุกข์อวิชชาหมด ตอนเอาประทานถูกล่าไปนะความทุกข์ก็หายแล้วความสงบเย็นก็มาแทนที่แม้ยังต้องแก่แม้ยังต้องเจ็บนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ตายนะนะมันก็ไม่มีใครตายนะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนะเพราะว่าละวางความยึดมั่นในตัวตนไม่มีตัวกูแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย อันนี้เป็นศิล ป, ปะนะที่ลึกซึ้งมากนะซึ่งถ้าเราสามารถเข้าถึงได้เนี่ยด้วยปัญญาด้วยการบำเพ็ญเพียรเนี่ยความตายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์อีกต่อไปเอาละคืนนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กลับภาพคุ้นกัน